หน้ากลุ่มโดยดั่งตรินสาวเน็ตคลั่งบุกจี้คนรักที่ <gas m> และพยายาม 2 ครับนับตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 2000 เป็นต้นมาทุกคนบนโลก แม้เขาจะอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศหรือคนละซีกโลกก็ตามคำถามที่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 คุณจะค่อยๆรู้สึกเหมือนมีอีกตัวตนใหม่ขึ้นมา เทคโนโลยีของวันพรุ่งนี้เป็นไปได้แน่นอนแล้วครับ วัยหนุ่มวัยสาวเป็นวัยที่บ้ารักอินเทอร์เน็ตก็อาจอีกต่อไปแล้วโลกนอกเน็ต 82 แต่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 นากลุ่มโดยดังตอนที่ตอนที่ 40 อ่าคนกําลังจะล้นโลกแต่ อีกหน่อยไม่ใช่คนโลภเบื่อตราบใดยังไม่มี หรือกระทั่งอยากมีๆจนชั่วนิรันดร์ 3 ชนิดของ 125 ปีเป็นลําดับต่อ จะแข็งแรงเหมือนต้นไวยหรือกลางไวย นั้นประกันได้ว่าถ้าโครงการวิจัยนี้จะเรื่องชื่อ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 ยาอายุวัฒนะไม่เช่นคงไม่มีใครรู้สึกว่าไม่มันเป็นแค่การปิดบัญชีงานใหญ่งานหนึ่งใครรู้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 จะเกิดผลอะไรตามมาขอๆแค่ว่าทําตรงนี้ให้สําเร็จจากนิตยสารธรรมะจะจะ 53 เสียงอ่านโดย 周初